สิสุปาริจริยวคหมวดว่าด้วยพระสุปาริจริยะเป็นต้นหนึ่งสุปาริจริยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสุปาริจริยะเทระพระสุปาริจริยะเท ร, ระรร เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อากว่านรชน ทรงมีพระจักสุสเสด็จออกจากป่าใหญ่แล้วทรงแสดงธรรมอยู่เทวดาได้ประชุมกันในที่ม่ไกลพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในขณะนั้นเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันด้วยกิจบางอย่างได้เพ่งมองดูข้อเข้าพระเจ้าได้ทราบพระดำรัสที่แสดงอมาตะธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีปรบมือแล้วจึงเข้าไปบํารุง ข้าพเจ้าเห็นผลแห่งการบำรงพระศาสดาที่ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้วในสามมื่นครับข้าพเจ้าจะไม่เบเขิดในทุกปฏิเลยในกลับที่หนึ่งร้อยี่สิบเนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสมละลังกตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีภารานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แและอภิญญาหก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 ประวัติในเดิตชาตของพระกนเวระปุพยเทระพระกนเวระปุพยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาควานรชนมีหมู่สาววะข้อมล้อมเสด็จดำเนินไปยังนครข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้ผู้คุ้มครองภายในพระราชวังจึงเข้าไปในปราสาท ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเขาพระเจ้าจึงถือดอกยี่โถไปโปรยลงในถ้ำกลางหมู่พิษุแบ่งโปรยลงสำหรับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านั้นในกลับที่เกสบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่แปสบเจดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสี่ชาติ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 ได้พาสุขคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนิกณะเวระบุพิระเทราประธานที่สองจบสามขจักกะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระขจักะทายกะเทระพระขจักะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ แด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าติสะและได้ถวายผลมะพร้าวและของควรเคี้ยวที่รู้กันดีเขาพเจ้าครั้นถวายผลไม้นั้นแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสะผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้วย่อมบันเทิงมีความประสงค์สิ่งที่น่าปรารถนาก็บรรลุได้ตามปรารถนาในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย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 ได้ทราบว่าท่านพระขจักะทายกะเทระได้พาศึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ขจักะทายกะเทราประทานที่สามจบ4เทสปูชกะเทราประทานประวัติเนติชาติของพระเทสปูชกะเทระพระเทสปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาติของตนจึงกล่าวว่า พ้อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัททัต ส, สีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อ่างกว่านรชนเสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าไปในอากาศพระศ า, ศาสดามหามุนีประทับอยู่ในภูมิภาคใดแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้บูชาภูมิภาคนั้นด้วยมือทั้งสองของตนเน่ากลับที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นพระมหามุนี จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาภูมิภาคที่พระองค์ประทับเน่กลับที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าโคสุชาตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเทศปูชกะเทระดดวยพาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ทนเทสปูชกะเทราประธานที่สี่จบห้ากาิกรชาชัติยะเทราประธานประวัติในดิจชาของพระกานิการชาชัติยะเทระ พระกาณิการะชาติยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนเป็นมุนีเสด็จเข้าป่าใหญ่เพื่อทรงพักกลางวันครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เก็บดอก ก, กาณิกามาทําเป็นร่มได้ทําเพดานดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า เนื้กลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่ยี่สิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดชาติพระนามว่าโสนาภะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลาณุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิัมพิทาสีวิโมก์แป และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกนิการชาชติยะเทระได้พาสิทธิาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้กนิการชาชติยะเทราประธานที่ห้าจบ6กซาปิธายกะเทราประธาน ประวัติในเดจจ่าของพระสัพพิทาเยกะเทระพระสัพปิทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าผุสะผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้แกล้วกล้าทรงช่วยมหาชนให้สงบเย็นเสด็จดำเนินไปตามถนนพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงสำนักของข้าพเจ้าโดยลำดับขณะนั้นข้าพเจ้ารับบาดแล้ว ได้ถวายเนยใสและน้ำมันเนกลับที่ต้สิบสองนับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ถวายเนยใสและน้ำมันไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมันเนกลับที่ห้าสหกนับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมทุท ก, กะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพรเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระสัปปิทายะเถระได้พาสุขคาาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สับติทายะเถราประธานที่หกจบเจ็ด ยุทธิกะปุพิยะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระยุทธิกะปุพิยะเถระพระยุทธิกะปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสะน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาณที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ดังต้นพยาไม้สาละมีดอกบานสพรั่ง ข้าพเจ้าได้ถือดอกเข็มเข้าเฝ้าพระมหามุนีมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่67นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสามุทระ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระยุทธกะปุพิยะเทระได้พาจิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ยุทธกะ ปุพยเถราประธานที่เจดจบ 8. ทุสะทายกะเถราประธานประวัติในดิตชาตของพระทุสะทายกะเถระพระทุสะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นราชโอรสอยู่ในติวารานครนที่น่ารื่นรมเลได้เครื่องบรรณาการแล้ว จึงได้ถวายพระผู้มีพระภาคผู้สงบประงับพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงรับเครื่องบรรณาการแล้วใช้พระหัตถ์ลูบผ้าครั้นทรงรับแล้วได้เสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศเมื่อพระพุทธเจ้ากาลังเสด็จไปผ้าปลิวตามไปเบื้องพระปริศางพระพุทเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ เนกลับที่เก้าสบสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าเนี่กลับที่หกสิบเจดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าปริสุทธะเป็นจอมมนุษย์มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระทุสสะทายกะเถระได้พาสิทธทานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ทุสสะทายกะเถราประทานที่แปดจบเสมาทปะกะเถราประทานประวัติเนดิตชาติของพระสมาทปะกะเถระ พระสมมาทัประเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชะชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีการประชุมอุบาสกจำนวนมากในกรุงพันทุมดีข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกเหล่านั้นเป็นคนรับใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเรียกประชุมอุบาสกเหล่านั้นทั้งหมดแล้วชักชวนในการทาบุญว่าเราทั้งหลายจากทาป ร, รำถวายแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม อุบาสกเหล่านั้นรับคําว่าดีละแล้วดําเนินไปตามความพอใจของข้าพเจ้าพวกเราทั้งหลายสร้างป ร, รามให้เสร็จแล้วได้ถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีเนื้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้สร้างป ร, รามถวายในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างป ร, รามถวายเนื้กลับที่ห้าสิบเก้านับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าอาเทยะผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลไเ้่เจบว่าท่านพระสมาทาปะกะเทระ ได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สมาทปะกะเทราประธานที่เก้าจบสิ 10. ปัญจังคุริยะเทราประธานประวัติเนดิตชาติของพระปัญจังคุริยะเทระพระปัญจังคุริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ทรงองอางกวานราชนเป็นพระมุนีทรงฉัหลาดในวิหารธรรมกำลังเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุดีข้าพเจ้าได้ถือของหอมและพวงมาลัยไปยังสำนักพระชินเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีศรัทธาน้อยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถวายเครื่องรูปไลด้วยนิ้วทั้งห้าเนี่กลับเที่ย2เก้าสบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ของหอมบูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งเครื่องรูปลายด้วยนิ้วทั้งห้าเนี้อกับที่เจ็ดสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสยามปะพะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพรานาุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญจังคุริยะเถระได้พาจุบคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปัญจังคุริยะเถระประทานที่สิบจบสุปริจริยวัครที่สิบเจ็ดจบบริบูรณ์รวมประธานที่มีนิวัก์นี้คือหนึ่งสุปริจริยะเถระประทาน สกระนเวระปุพยะเทราประธาน 3. ามขจักกะทายกะเทราประธาน 4. เทสปูชกะเทราประธาน 5. กรนิการะชาติยะเทราประธาน 6. กสั ป, ปิทายกะเทราประธาน 7. ยุทธิกะปุพยะเทราประธาน 8. ทุสสะทายกะเทราประธาน 9. สมาทปะกะเทราประธาน ปัญจังคุริยะเถราประธานนีคาถาห้าสิบสี่คาถาชนี้แลสิบแปดกุโมทวัหมวดว่าด้วยพระกุมุทะเป็นต้นหนึ่ง กุมุทะมาลิยเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระกุมุทะมาลิยเทระพระกุมุทะมาลิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิ ม, มาพานได้มีสัธรรมชาติสระใหญ่ขา้าพเจ้าเป็นผีเสื้อน้าดุร้ายมีกําลังมากเกิดอยู่ในใกล้สระนั้น ดอกโกมุตบานโตประมาณเท่าล้อเกิดอยู่ในสะนั้นและในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เก็บดอกโกมุตที่มีฝักไว้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัถทัสสีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์องค์อ่างกว่านรชน์ท่าพระเนตรเห็นดอกโกมุตที่หูแล้วจึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ทรงองค์อาควานนรชนเสด็จเข้ามาจึงหยิบดอกโกมุททหมดบูชาพระพุทธเจ้าครั้งนั้นดอกไม้ที่ภูเขาหิมพานมีอยู่ประมาณเท่าใดพระตถาคตมีดอกไม้ประมาณเท่านั้นเป็นหลังคาเสด็จไปในกลับที่หนึ่งรสบแปนับจากกลับนี้ไปพระพุทเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า เลี่ยกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแชาติมีพระนามว่าสหัสรดผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัม m ิ a สีวิโมกข์แปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระกูมุทะมาริยะเถระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีกูมุทะมาริยะเถราประธานที่หนึ่งจบสองนิเสนิทายกะเถราประธานประวัติในดิตชาติของพระนิเสนิทายกะเถระพระนิเสนิทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าให้สร้างบันไดสำหรับเสด็จขึ้นปราสาทถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนทัญญะผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้คงที่ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นข้าพเจ้าสวยสมบัติแล้วทรงร่างกายอันมีในภบสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าสามพหุละ มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกษ์แดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนิเสนิทายกะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้นิเสนิทานยกะเทราประธานที่สองจบ สามรติปุพยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระรติปุพยะเทระพระรติปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อาจก่อนรชนข้าพเจ้าเห็นต้นม่วกเหล็กขึ้นบนแผ่นดิน มีดอกบานจะพร่างอยู่กลางคืนจึงเก็บมาพร้อมทั้งคู่น้อมเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนืกลับที่91สบอดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้และเนืกลับที่8ปดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีพระนามว่าสุ ป, ปะสันนะ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 รติปุพยะเทราประธานที่สามจบ4อุทธาปานาทะยกะเทราประธานประวัติในิตชจ้าของพระอุทธาปานาทะยกะเทระพระอุทธาปานาทะยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในิตชจ้าของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ขุดบ่อน้ำถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีและในครั้งนั้น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 ได้ทราบว่าท่านพระอุทธปาณาทยกะเทระได้พากิัสคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิอุทธปาณาทยกะเทราประธานที่สี่จบ5สีหาชนะทยกะเทราประธานประวัติในดิตชาของพระสีหาสนะทยกะเทระพระสีหาสนะทยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิิตชาของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคประนามว่าปทุมุตระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงเป็นผู้นำเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายพระแท่นสีหดชนจํานวนมากทําการบูชาด้วยขอมหอมและดอกไม้มากมายที่พระแท่นสีห์อานอนำความสุขมาให้ในปัจจุบันแล้วสงบเย็นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี วหาต้นโผที่ประเสริฐแล้วไม่เคเกิดในทุกขติเลยตลอดห น, นึ่งแสกับเนกลับที่หนึ่งพันสิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าสิลุจายะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระสีหาสนะทายกะเทระได้พาศึกษ า, าเหล่านี้ด้วยประการาชนิสีหาสนะทายกะเทราประทานที่ห้าจบหมัคคะทัตทท ต, ท ต, ทติกะเทระประธานประวัติเนติจัชฌาของพระมัคคะทัตติกะเทระพระมัคคทัตติกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนติจัชฌาของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอนมมัสสีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อาจกว่านรชนเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันเมื่อพระผู้มีพระภาคยกพระบาทขึ้นดอกไม้งดงามลอยอยู่เหนือพระเศียรข้าพเจ้ามีขิดเลื่อมใสมีใจยินดีถวายอภิวาทแล้วจึงโปรยดอกไม้เี้กลับที่สองหมื่นนับจากกลับนี้ไป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 ด้วยประการาชนี้มพระทเทกกะเทราประทานที่หกจบเจเอขทตปิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเอขทตปิยะเทระพระเอขัตติปยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายประทีปดวงหนึ่งไว้ที่ต้นช้างน้ว ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ที่ประเสริฐของพระมูณนีพระนามว่าปทุมุตระเมื่อข้าพเจ้าเกิดอยู่ในภพที่มีการสั่งสมบูรณ์เกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระที่ในกลับที่หนึ่งหมื่นหกพันนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิีชาติมีพระนามว่าจันทาพระมีลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระเอกทีปิยเถระได้พาสิทธิข า, าเหล่านี้ด้วยประการฉนี้เอกทีปิยะเถราประธานที่เจ็ดจบพาณวาระที่เก้าจบ มณิปูชกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระมณิปูชกะเทระพระมณิปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านไปพายในภูเขาหิมพานครั้งนั้นพระสยามภูพุทธเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ประคองบัลลังก์แก้วอันวิจิตด้วยดีเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจบูชาพระพุทธเจ้าเนี่กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้แก้วมณีบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าและเนกลับที่สิบสองนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ชาติมีพระนามว่าสตารางังสีมีภารานุภาพมาก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 ติจิกะเทระประทานประวัติในดิตชาตของพระติจิกะเทระพระติกิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหมอศึกษาดีแล้วอยู่ในกรุงพันธุมดีเป็นผู้นำความสุขมาให้แก่มหาชนผู้มีโรคภัยมีทุกสาหัสครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นพระสมณะผู้มีศีล ร, รุ่งเรืองมากเจ็บไข้ มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีจึงได้ถวายยาบำบัดไข้พระสมณระผู้สำรวมอินทรียีมีนามว่าอโศกผู้เป็นอุปถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีหายจากโรคด้วยยานั้นนั่นแลเนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายยาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายยา เนื่อกับที่แปดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีนามว่าสัพโพสทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระติสกิจฉะเทระได้พาสึกถาเหล่านี้ด้วยประการะนี้ติสกิจฉะเทราประทานที่เก้าจบส0สังคุปปัฏฐานกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระสังคุปปัฏฐานกะเทระพระสังคุปปัฏฐานกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าในสมัยพระผู้มีพระภาคนามว่าเวสภู ข้าพเจ้าเป็นคนวัดมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้อุปถามพระสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเนี้กลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการอุปถากเนี้กลับที่เจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดชาติพระนามว่าสโมโอตัทกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสังคุ ป, ปทากะเทระได้พาสิทธถาเหล่านี้เรียบประการฉนิสังูุ ป, ปทากะเทราประทานที่สิบจบกุ่มมุทวรคที่สิบปด จบบริบูรณ์ร่วมอภิธานที่มีในวรรนี้คือหนึ่งวุโทธมาริยะเทราประทานสองนิเสนิทายกะเทราประทาน 3. ามรติปุพยะเทราประทาน 4. อุทปาพนทายกะเทราประทาน 5. สีหาสนะทายกะเทราประทาน 6. มคคะทติกะเทราประทานเจด เอกทีปิยะเทราประทานแปดมณิปูชกะเทราประทานเก้าดกิชะกะเทราประทานสิบสังคุ ป, ปัฐากะเทราประทานมีคาถาสี่สิบเก้าคาถาชั่นนี้แหล